โรคหลานอย่าอย่าไปทดลองเ อ, อสรุปแล้วนะลูกหลานอย่าไปทดลองถ้าทดลองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเท่านั้นอนะ่ะติดเลยเพอติดแล้วถอนไม่ขึ้นเดี๋ยวนี่แหละสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําถ้าทําขืนทําเข้าไปแล้วนะ่ะมันถอนยากเห็นไหมเดี๋ยนี้อนาคตคนที่ติดอย่าบ้ามันเป็นยังไง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 อันในระหว่างกันระยานามิตรมิตรที่ดีชักชักชวนไปในทางที่ดีถ้าหากว่าชักชวนไปในทางที่ไม่ดีนะว่าปาประมิตดนะแต่ถึ ง, ถ ง, ถงยังไงก็ตามให้พวกเราเลือกครบเลยเลือกครบกันระยานามิตรแต่ตามไม่จิงปาประมิตรก็เถอะนะเราก็ไม่ได้ดังเกียรติเดียดสารเขาเแต่ว่าเราก็พูดกันได้ทากันได้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 แล้วก็ค่าให้เกิดประโยชน์ถามคุณพ่อคุณแม่เลยสิคุณพ่อคุณแม่ครับผมขอเงินไปสู่บุรีครับเป็นค่าบุรีครับท่านกงไม่ให้เราเพราะเหตุไรเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ที่เราขอไปนะั่นก็ขอไปเพื่อเรียนเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นอาหารกลางวันพ่อแม่เขาให้ในเมื่อให้แล้วเนะ่ะเราเอาไปใช้ผิดประเภท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 คบคนที่เล่นการพนันเราจะเล่นการพนันกับเขาถ้าเราไปคบคนกินเหล้าเราจะไปกินเหล้ากับเขาเถ้าเราไปคบคนที่กินคัญชายาฝิ่นเฮโลอิ น, นยาบ้ายาม้าอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นตามเขาตามเขาเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานสังเกตนะลูกหลานที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลูกหลานสังเกตเพราะฉะนั้น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 สงวนห่วงเห็นของเขาท่าของเราก็เช่นเดียวกันเราก็รักเหมือนกันเพราะนั้นอย่าไปขโมยซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสามีภรรยาลูกหลานน้องของไขหลานของไขเขาก็รักของเราก็เช่นเดียวกันตระกูลของเราเราก็รักพี่รักน้องรักลูกรักหลานของเราถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจ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 เออแล้วไปขายยาคัญชายาฝิ่นเฮโรคอืนะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายมันจะเสียอนาคตของลูกของหลานนะเออมันเสียมันเสียตลอดชีวิตเลยนะทีนี้มันไม่ใช่เสียน้อยนอยนะเพราะนั้นลูกหลานต้องคิดให้ดีที่จะเดินที่จะไปนะัดสถานที่ใดอยู่นะัดสถานที่ใดให้ลูกหลานให้รอบครอบออย่าไปาทำแบบง่ายๆสุกเอาเผากินเออแล้วก็เรื่อง เรื่องครบค้าสะมาคมคมก็่เหมือนกันนะลูกหลานวัยของเราเดี๋ยวนี้กำลังวัยเรียนหนังสือนะออยังไม่ใช่วัยเที่ยววัยเล่นวัยสนุกสนานใ ห, ให้พวกเราให้ลูกหลานให้สํารวมให้ระวังแต่หาว่าพวกเราถล่มไปในทางใดทางหนึ่งนะออชอบเที่ยวชอบเล่นไปแล้วเนี่ยจะเสียอนาคตคือเราจะทำจึงไหนก็ตาม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 อายุยี่สิบเขาให้บวชเป็นพระนะเป็นพระได้คืออายุ20สิปีขึ้นไปคือบรรลุนิติพาวะผู้ที่จะบวชเป็นพระนะต้องอายุยี่สิบนะแต่ถ้ายังไม่ถึง20เป็นสัมมาเนกรแต่องยี่สิบก็บวชพระนะลูกปูหลวงตานะี่ยบวชพระตั้งแต่ปีศูนยดลูกหลานาปีนี่ก็ห0ปีนะชีวิตของเป็นพระของหลวงตาเนี่ยนะหลวงตาบวชเป็นพระมาห้าิปี